แปดแปดเวลา e ้ามา t ขอโทษค่ะอุ่นชิกี่โมงแล้วคะว่ากี่ k มงขอบคุณมากค่ะ มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกานมันเป็นเวลาสองนาฬิกานาฬาเปมันเป็นเวลาสามนาฬิกานาฬมมันเป็นเวลาสี่นาฬิกา นาฬิกา R ส r ่มันเป็นเวลาห้านาฬิกานาฬิกา R ห้ามันเป็นเวลาหกนาฬิกานา k ิกา R หมันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกานาฬิก R เจ็มันเป็นเวลา แนาฬิกาลอกก์อ่ะแปเวลาเก้านาฬิกาคลอกก์อเป็นเวลาสิบนาฬิกาลอกก์อ่ะสินเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาล มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเอียนทีม์มีหกสิบนาหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง endag h a r 24 t i m วโม